พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าหนีความตายหนียังไงก็ไม่พ้น จเนี่ยมันลองทำไมวาวันนี้ลูกเห็บจะตกระวังนะใครนะชมชายมันลองเตือนเลยเนะี่ยระวังฝนนะระวังพายุนะถ้าใครก็ตามทั้งอยู่ในครัวนะเมื่อวา น, นก็เตือนพระแล้วละ่ะพระลงโบสถเตือนแล้วบอกว่า หน้าเนี้เป็นหน้าพายุนะพระเวลาเสียงลมฝนมาอย่าไปอยู่ในกุฏิถ้าเป็นไปได้หาที่หลบแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากลับไปกุฏิเราก็ต้องมองดูท้องฟ้าเองไม้ต้นไหนมันจะโค่นลบโค่นลงมาถึงเราไหมเนี่ยเราต้องดูถ้าหากว่ามันจะโค่นถึงเราเนะ เราจะหลบไปอยู่ที่ไหนต้องตั้งคำถามตัวเองไม่ใช่ว่าจะอยู่กุฏิตามบุญตามกรรมนะฮะต้นไม้มันล่นโคนทับถึงยังไงยังไงเราต้องหลบสุดความสามารถซะก่อนเออยังค่อยรับกรรมยังไง ป, ปรับมาไม่เท่าไหร่รับกรรมก่อนแล้วไม่ได้นะต้องหนีซะก่อนหนีหลบซะก่อนถ้าหลบ ตียังไงหนีไม่พ้นยังค่อยว่ากันอย่างพระโมกคลานะท่านเหาะหนีทั้งสองครั้งพอโจนเข้ามาแล้วก็เหาะหนีโจนก็นขึ้นไปที่กุฏิก็มองไม่เห็นพอครั้งที่สองอีกขึ้นไปอีกไม่เห็นพอครั้งที่สามพระโมกคลางเราหนีกรรมหนีกรรมคงจะหนีไม่พ้นเพราะเราเคยฆ่า พ, พ่อแม่มาก่อนแล้วในอดีตชาติ เพราะนั้นเราหนีกรรมอง์นี้ไม่พ้นท่านขึ้นไปครั้งที่สามจนห้าร้อยขึ้นไปเห็นแต่นั่งจุกปุกอยู่ในกุฏินะีคอร์นเขาก็แอบหนำเลยแต่เนี่ยโทบเลยจนกระดูกแกลกเลี้วไปหมดหลากรมาข้างล่างโบเอกประโมกขลาเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าท่านจะนั่งท่า อย่างเดียวไม่ได้นะท่านก็นต้องหลบเหมันกันนี้ก็เหมือนกันอะ่ะพวกเราต้องหลบซะก่อนต้องดูแต่ฟังท่านเช่อเชอเอ้ยไม้มันเอ็นไปทางนั้นอยู่ดอกไม้มันเอ็นอยู่ไปทางโน้นอยู่แล้วหรืออย่างไรมันก็ไม่มาทางนี้อันนั้นก็อย่าไปคิดให้โง่ฟังแต่ ว, ว่าพา ย, ยุนะมันจะหมุนไปทางไหนถ้ามันหมุนคอ ไม้ขาดแล้วก็หมุนไปเลยเราอยู่ในใกล้ๆนั้นอันตรายเฉพาะอย่างยิ่งกุฏิของเราที่พักของเรามันพร้อมที่จะโค่นทับได้เพราะนั้นต้องระวังนะในพวกในครัวก็เหมือนกันพวกครัวอย่าไปอยู่ในกุฏิเวลาไม้เวลาเสียงลมดัง อ, อ, อูมาเนยะ ให้ดูทำรังอู่อูมาทางไหนเราต้องมองดูมองดูถ้ามันเป็นสีแดงนั่นแหละน้ำประลมลมอย่างร้อยแรงลมแดงเขาเรียกลมแดงถ้ามันมาแล้วเราจะไปมกอยู่ในกุฏิออกมายืนอยู่ข้างนอกในชายคาหรือกุฏิที่พักไม่ใช่เราจะไปหมกอยู่ในกุฏิหลังคาล่นถนทับลงมา เราเองอีกเราต้องรู้จักทางหนีทีไรอย่างหลวงพ่ออยู่เหมือนกันเวลาลมอู้อมาหลวงพ่อจะลงมาที่ศาลาหลังนี่ถ้ามันลมกระแทกมาทางนัน้นเราก็ต้องหลบมาอยู่ทางนี้ใช่ไหมออมันไม่ใช่ว่าเลี้ยวเราก็หลบห ล, ลบมาอยู่ทางนี้พอมันเต่นีโอ้เราก็ต้องหลบมาอยู่ทางนี้ให้มองเห็นโดยมากลมฟ้าฝนจะมาประมาณชักบ่ายสองถึง บ่ายห้าหกโมงขนาดเด่นะกลางคืนจะไม่มานะ้ครับว่าอากาศร้อนกระทบเย็นเย็นกระทบร้อนในช่วงนั้นอนะพายุจะเข้ามาขนานให้ระวังอย่างในครัวก็เหมือนกันถ้าครัวเนะี่ยถ้าหากว่ามีพายุอย่างนั้นมาจะหลบที่ไหนหลบที่โรงโรงครัวใหญ่โรงครัวใหญ่ไม้จะมาไม่ถึง้ลงไปหลบที่นั้นได้แต่ไปอยู่อย่าไปอยู่ตามกุฏิ ถ้าเก่งกว่า น, นั้นถ้าเสียงดังมาไกลๆพอจะหลบได้นุ่นใต้ถุนสะพานนะไปอยู่ใต้ถุนสะพานอันนั้ น, น, นปลอดภัยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้านดูหลังซะก่อนเผื่เอเผอ่อูจงอางเข้าไปอยู่แทนก่อนเราก็ได้เผืเอเผอไปเจอกับจงอางเข้าท่านน่ะกระโดดลงน้ําำถออไม่แช่กระโดดเข้าไป ความปลอดภัยแต่ไม่ได้ดูหน้าดูหลังไม่ได้นะไอ้ยีเนี่ ย, ยโยมคนหนึ่งเมื่อวานเนีเขาพูดให้หลวงพ่อฟังนั่งรถมามุมทางปลาช้านะงูทอง อ, างางอนะ่างัตบักใหญ่หลวงพ่อเน่เท่างูงูเหลือมเนยะหัวใหญ่มากาใหญ่ขนาดไหนะฟังฟังเวเหมื่อนกันหัวมันก็เท่ากีบแตงโมกลุกย่อมๆอยมือนั้นเถอะหัวของมัน งูใหญ่นะจงอ่างมันลงลวัดอะไนี้มันจะเข้าวัดมันเข้าวัดมันเข้าไปได้นะมันองลงเป็นลำรางซะก่อนนะปล่อยไปลำรางเสร็จแล้วมันเกิดโคงจะมาเข้ามาต้องระวังระวังนะอยู่ในป่าอันนี้ก็งูของวัดของเราเป็นป่าพวกสัตว์ทั้งหลายก็เข้ามาอาศัยแต่ก็ไม่ดุร้ายหรอกเข้ามาในวัดเราเรามีเมตตากับมันนะไม่เคยเห็นงูกัดพระในวัด เสียแต่เราจะเอาไมา้ขาไปแย่งให้มาขมันกัดถ้าไปเหยียบหลังมันก็ไม่ว่ากันนะการค่มคืนต้องระมัดระวังไปที่ไหนนี่แหละให้ระวังนะในช่วงนี้นะช่วงพายุสรุปแล้วพายุฝนแต่เมื่อ ว, วานมันกระหน่ำทางจังหวัดเลยแล้วบอกว่าลูกเท่าไข่เป็ดไข่ไกนะ่ตกลงมาขาวโพลนไปหมด หลังคาบ้านเสียหายไปทั้งสองร้อยก่อหลังจังหวัดเลยอำเภอภูเรืองจากนี้ไปเ็าไม่ไกลจากนี้จากเราไปเพราะนั้นพวกเราก็ต้อ ง, งดูๆนะทุกปีหนะลวงพ่อจะบอกนาแนะนำพวกเราพวกเราอยู่ในป่าต้นไม้ของเราวัดของเราก็สูงอีกต่างหากถ้าเราไม่ระมัดระวังนะอาจจะเกิดอันตรายได้ แต่ที่ผ่านมาเกือบ30ปีที่เรามาสร้างวัดตั้งแต่ปีสองสมาถึงปีห7เจเนี่ยเคยมีอันตรายไม้ทับไม่หลวงพอ่อไม่มีมีน้อยมากาคงจะเป็น อ, อำนาจลุกขะภู ม, มะเทวดาช่วยเราพอเวลาต้นไม้คนมันจะลงมาหลังคาหลังนี้แหละมันก็เดือดไปหน่อยๆเสียดไปหน่อยๆ เ, เสียหายไม่มากนี่แหละ หลวงพ่อว่าคงจะภูมิมาลูกขะเทวดาคงจะช่วยรักษาวัดว า, าศาสนาเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นที่บ้านเพิ่มก็เหมือนกันไม้ล้มนั้นในระ น, นาดไปหมดแต่กุฏิของพระไม่มีอะไรเสียหายมากกุฏิหลวงพ่อที่ไปสร้างไว้กุฏิไม้ไผ่ลงทั้งสองข้างเลยในระหว่างห้องน้ํากับระหว่างกุฏิลงตรงกลางเลยห่างกันไม่ถึงสองเมตร มายางต้นบ้าใหญ่ลงตรงกลางฮะนี่แหละฮในวัดของเราก็คล้ายๆลักษณะอย่างนั้นแะไม่เคยมีสาหัสสากันนับแต่วันนี้ถอยหลังนะแต่นับตอนนี้ไปถอยไปข้างหน้าเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอนาคตนะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่ยังไงเราก็ต้องระมัดระวังกันไว้ก่อนจะดีกว่าหน้านี่แหละหน้ามีนาเมษาพฤษภาสามเดือนเนี่ย เป็นเดือนที่พายุเข้ามาให้พวกเราเราบัดระวังตัวใครตัวเรานเช่นนั้นนะหลวงพ่อมีแต่เตือนวันนี้แต่นะแเตือนวันนี้ให้เข้าใจกันถึงวันนั้นแหละให้พวกเราได้ยินว่าหลวงพ่อเตือนแล้วทํำยังไงเตรียมพร้อมหลบหาที่หลบหลบที่ไหนแต่พระก็เนี่ยที่ลงที่ศาลาหลังนี้ ทำไปนั่นก็ต้องมองดูกับกุฏิโองเองจมองดูถึงจะตากฝนมันก็ไม่เป็นไรถึงจะตากฝนเปียกไม่เป็นไรแต่เราจะไปเข้ามาในป่ารงพงไผ่ถ้ามันไม้โค่นมาทับน่ตายได้นะถ้าอยู่ในที่โล่งๆไม้ถึงไม่ถึงหรือพิงกาแพงอาศัยพิงกาแพงอยู่ก็ได้ถ้าลมพัดถล่มกำแพงหกล้มนี่ยโออันนั้นแปลว่า ลงไม่ใช่ลมธรรมดาล่ะเพราะกำแพงของเราคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแข็งแรงถ้าไปพิงอยู่ข้างกำแพงก็ความปลอดภยัยของมีนะถ้าไปยืนอยู่กลางป่าเนี่ยระวังระวังต้นไม้อันนี้ก็คือปายยุ่ฝนแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็เคยบอกกล่าวว่าสิ่งภายนอกเนี่ยแผ่นดินไหวกวาดี พายุถล่มก็ดีหิ ม, มะลูกเห็บก็ดีเรายังมีที่หลบที่หลีกได้แต่มรณะภัยคือความตายแก่เจ็บตายเนี่ยเราหลีกไม่พ้นไปหลีกจนที่ไหนก็หนีไม่พ้นหนีความตายมีแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้น่ะให้ชำระใจพอชำระใจใจหมดจากกิเลสราคะโทสะโมหะ ขึ้นมาแล้วก็นั่นละ่ะแปลว่าหนีจากมรณะภัยหนีจากพญามัจจุราชได้มัจจุราชตามไม่ถึงถ้าชำละใจถ้าหาว่ายังอยู่ในโลกอยู่เกิดแก่เจ็บตายต้องตามเตาแน่ๆถึงเราจะหลบอย่างที่ลงพ่อสอนวิธีการหลบฟ้าหลบฝนหลบพายุหลบแผ่นดินไว้สีนามิน้ำท่วมอะไรก็ตาม อันนั้นเพียงแต่หลบปลีกได้ถ้าเรารู้ก่อนถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจริงนะแต่มรณะภัยนีย่ถึงยังไงใครหลบไม่ได้หลบยังไงก็ไม่ตีกไม่ลีหนีไม่พ้นเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็ต้องถึงจุดจุดนั้นแน่นอน น, ะนิทานคนโบราณเขายังพูดสาทกให้ฟังวันหนีหนีความตายนี่ยหนียังไงกันนีไม่พ้น ه, เขาก็เลยทําเป็นพูดเป็นชาดกหรือว่าไม่ใช่ชาดกนะนิทานปลําประลาในทานสาธกให้การฟังแต่หลวงพ่อคิดว่าอืมก็น่าคิดนะคนโบราณเขาพูดให้ฟังหนีความตายนี้ไม่พ้นเขาก็เลยตั้งเป็นเรื่องราวขึ้นมาว่ามีพระเจ้าแผ่นดินคนหนึ่งเป็นผู้มสมบูรณ์มั่งขั่งประเทศที่สมบูรณ์แต่ที่นี้หมอ โหนหมอดูเขาก็มาทำนายทายทักว่าโอ้ท่านเนี่ยอายุของท่านหมดชีวิตนี่ยนี่และวันจากนี้ไปวันที่เท่านั้นเขาบอกเ ว, เวลาอีกต่างหากนะเขาบอกเ ว, เวลาอีกต่างหากท่านจะต้องจะต้องตายปยามัจจุราชจะต้องเอาชีวิตของท่านไปแน่นอนทางพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็ไม่อยากจะตาย จะทำยังไงวะปรึกษากับเสนาอำมาตเสนาอำมาตก็บอกพยามรจุราชมันคงไม่เข้าไปถึงใต้น้ำได้เพรานะนั้นลงไปอยู่ใต้น้ำจะดีกว่าเขาก็เลยทำหีบอย่างดีนะเต่พอทำหีบอย่างดีหีบเล็กนะแล้วก็ปิดให้ดีแล้วก็ให้มีท่อเหมือนกับสายยางอย่างนี้แหละ เสียบเข้าไปในในเห็บนะก็ลงไปในใต้น้ําแล้วก็หายใจตามตามท่อนนะั่นขึ้นมาบนบกนะสายยาวนะแต่ใครให้พญามัจจุราชตามหาไม่เห็นผลที่สุดเขาก็ออกไปมุดลงใต้น้ำพอได้เวลาจวนใกล้เวลาเนี่ยพยามัจจุราชได้เวลาก็มาหาเนะี่ยหาไปหามาหามาหาไปหาไปหามา เอออูแถวนี้นะทําไมไม่เห็นวะฮะพอเดินไปเดินมาไอสายตัวนั้นไอสายสายหายใจของพญาพระเจ้าแผ่นดินอยู่ใต้น้ำเนาะมันพันแข้งพันขาพญามัจจุราชใช่ไหมลนะ่ะเดินไปนั้นมันก็พันเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาอะไรสายอะไรเนี่ยว่าเฮ้ยพญามัจจุราชเลยก็ตกสายนั้นอย่างแรงเนาะพอเขาตกอย่างแรง พระเจ้าเป็นดินอยู่ใต้น้ำเลยเลยตายพอหมดพอหมดลมหายใจพอหมดลมหายใจพอดึงกระตุกกระตุกสายนั้นออกกระตุกท่อหายใจของพระเจ้าเป็นดินอยู่ใต้น้ำเนียไปหลบฤีดหนีไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นสรุปแล้วก็คือหนีความตายขนาดหนีลงไปใต้น้ำก็ยังไม่พ้นเนี่ยอันนี้คือคนโบราณเขา บอกกล่าวหรือว่าเขาให้แนวความคิดสำหรับพวกเราเพราะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ลงพ่อได้พูดว่าหลบหลีกหนีพายุหนีฝนหนีลมที่อันตรายหนีได้พอหนีได้แต่นี้มรณะภยัยหนีไม่ได้นอกจากเราจะสร้างคุณงามความดี สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถึงคราวแล้วก็ออเออเข้าไปเจ้าได้เตรียมสเสบียงเดินทางบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพร้อมแล้วถึงยุคของข้าข้าจะต้องได้เคลื่อนย้ายแล้วออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วอันนี้ก็คือเราก็จะต้องหนีออกไปตามธรรมชาติแต่เหมือน พูดให้กันฟังบ่อยๆหรือว่าแนะนํากันบ่อยๆหรือว่าพูดกันให้ฟังอย่างนี้ถ้าพูดอีกแบบโรคๆอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกับว่าเราเอาความตายหรือเอาความาไม่เป็นสิริมงคลเอาเอาเรื่องอภิโมกข์มาเล่ามาพูดให้กันฟังทําให้จิตใจท้อแท้ทําให้จิตใจหมดกําลังใจทําให้จิตใจของเร า, เาไม่รู้จะทํำยังไงทําให้ หมดอนาคตที่จะต้องสร้างสรรค์แต่เราคิดอย่างนั้นมันก็มีส่วนแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงความตายนะมันก็แปลกเหมือนกันนะท่านพระพรธอค์บอกว่าอาโนนท่านระลึกถึงความตายมันแลกกี่ครั้งอานนนประมาณวันละวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะเออยังประมาทอยู่นะอานนนควรระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้า พกลมหายใจออกหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกนั่นแหละเชีวิตของเราจุดจบตรงตรงนั้นเพราะนั้นระลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งเ อ, อ, อยางน้อยไปถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วพวกเราท่านทั้งหลายรนะะลึกถึงมรณะภัยวันละกี่ครั้งคงจะไม่ถึงขนาดนั้นอีกต่างหากขนาดพระอนุนัทท่านระลึกถึงความตายขนาดนั้นพระพุทองค์ยังตําหนิว่า น้อยไปเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เลึกถึงมรณภัยคือความตายไว้อยู่เสมอว่ามรณงเมภาวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องอหนีจากโลกนี้แน่นอนเพราะนั้นข้าพเจ้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศลสิ่งไหนที่มันดีคิดดีทดําดีพูดดี ข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นให้มากที่สุดให้ถูกต้องที่สุดให้เป็นธรรมที่สุดสิ่งไหนที่มันช่วยชา้าเสียหายทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้ตนเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนประเทศชาติเดือดร้อนคู่คนในพบในเราเราที่เราทําเดือดร้อนเราจะไม่ทําสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะสังสมคุณงามความดีเก็บ บุญกุศลเก็บคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของข้าพเจ้าไปโดยตลอดนะี่อันนี้คือคือถ้าเราละลึกถึงความตายวาระภัยไว้อยู่เสมอเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะเก็บแต่คุณงามความดีเข้าสู่จิตใจถ้าคนที่ไม่ละลึกถึงความตายถ้าโลภก็โลภมากในจักรวาลนี้จะออกมาเป็นของตัวทั้งหมด ถ้าตัวปลาตายไปแล้วจะให้พี่ให้นอ้องให้ลูกให้ล้านอจะไปให้หายเขาอะไรมากมายนักหนาข้าเขาไม่มีวาดสนาบนมบารมีถึงจะหาเงินให้ลูกของเราก็ถ้าลูกของเราไม่มีบุญเป็นคนเลวพูกง่ายๆถึงจะหาห้เขาเขาพ่อของเราโง่ตายหาจริงๆไม่รู้จักใช้เงินมามาถึงเราเราจะใช้เงินให้ดูฮะ ไม่จู้ไม่รู้ว่าทั้งสุราทั้งนารีภาชีกิฬาบัตรอาวาัยมกทุกอย่างเอาเงินของพ่อมาถลุงของแม่มาถลุงพ่อแม่หามาด้วยความทุกข์ยากลําบากเอามาถลุงเนี่ยพ่อแม่ถ้าว่าเป็นภูมิมะลุกขะเทวดาแล้วเป็นที่จะมองเห็นลูกตัวเองใช้เงินคงจะเป็นทุกข์ใจน่าดูเหมือนกันเพราะลูกตัวเองไม่รู้จักคุณค่ า, อาของเงินที่ พ่อแม่หามาด้วยความยากลำบากเนี่ยสรุปแล้วก็คือเน่เราหาพอประมาณสรุปแล้วอย่าไปโลภนอย่าไปโลภทาจนผิดศินธรรมโลภของคนอื่นมาให้ไปป้นไปฆ่าไปโคดไปโกงไปเบียดไปบังเอาทรัพย์ ส, สินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองจนเกินไปอันนี้คือเเราโลภไปเพื่ออะไร เราจะไปโกรธไปเพื่ออะไร เ, ะเพราะว่าเราไม่ควรจะหลงจนเกินไปชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนเราจะต้องจากไปแน่นอนอย่าไปหลงว่าตัวเองจะไม่ตายนะใจนะใจนะบอกใจใจคือตัวผู้รู้รู้รู้ น, นะคือใจบอกตัวเองสอนตัวเองใจนะอย่าหลงนะอย่าลืมตัวจนเกินไปนะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะ เราจะต้องจากโลกนี่แน่นอนนะอย่าโลภเกินไปนะอย่ากโกรธอย่าผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆนะใจนะผูกไปแล้วก็เท่านั้นละมันไม่ใช่จะอยู่โชว์ฟ้าดินชลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะใจนะนี่แหละกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหก็ดีในจิตในใจของเราเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราระลึกถึงมรณะภยัยคือความตายของเราไว้ในใจเสมอ เระนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําบอกกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายให้ลําลึกไว้อยู่เสมอน ะ, ะต่อ น, นื่ไปคณนะสงฆ์อนุโมทนาให้พร